เป็นพรงานที่ทำคือทุกท่านนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงคำ้ามหาลัยสำหรับพระสงฆ์งหรือว่ายาภิรมก็เราเรียนสวดนะธรรมจักรกับวัจนสูตรคนะือเป็นพระสูตรแรกหรือว่าคำสอนคนะแรกของพระพุทธเจ้า ที่บอดเป็นจาวะคีนะแต่จริงก็ถ้าว่าในจริงก็ไม่ได้บอกแค่เป็นจาวะคีนะเป็นอย่งโปรดเราเป็นอย่าทุกวันนี้ด้วยใช่ไหมอมเราเองอาจจะไม่ได้เรียนภาษาบาลีนะแต่เราก็มีครูบาจารที่นแปลให้เราเข้าใจความหมายพอเข้าใจไหมอ่านบาลีบ้างแปลเป็นไทยบ้างก็ <c oughs> <c oughs> อพอใจะเข้าใจนะ แต่อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกเพราะว่าบางครั้งบางคำก็อาจจะมีความความหมายที่ต้องต้องมีการขยายความบ้ า, บางก็ถึงจะพอเข้าใจแต่มันก็ทำให้เราเข็นภาพเข้า้าว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านสอนเรื่องอะไรนะเพราะมาว่าที่จริงพระพุทธองค์ท่านก็เรียนมาเยอะนะศึกศษาใน การศึกษาที่สมัยนั้นก็เรียนกันมานะทําวิชาทำโลกหรือว่าเป็นปรัชญาเป็นความเชื่อแบบตามนะท่านก็เรียนมาเยอนะแล้วท่านก็ไม่ใช่แต่เรียนผ่านการเรียนจากครนะูตอนที่ท่านออกบวชนะท่านก็ยังไปเรียนกับดาวโบที่มีสมาธิ ขันะ้นสูงท่านจะไปเรียนแล้วนะท่านก็คน้นพบ ว, ว่าที่สมาธิขนาดเราทำได้เข้ากูแล้วก็ยังไม่ใช่ความคนทุกจริงๆนะท่านก็เห็นแบบนั้นท่านก็ไม่หยุดความรู้เพียงแค่ว่าได้เท่านี้ก็พอใจแล้วแมครูของท่านก็ขอให้ท่านมาเป็นคนช่วยสอนถนะือว่าคุณคกูนี่ก็บอกว่า ความรู้ของเรานะเท่ากับเธอแล้วเราไม่มีะไรจส่สอนเธอละให้เธอมนาะช่วยเราสอนที่สิบต่อเนะี่ยก็เป็นแบบนี้นถึงสองถึงสองคนนะที่พระเจ้าได้เรียนก็ได้ความรู้สูงสุดเท่ากับครูละแต่ท่านก็ไม่พอใจเพราะว่าอะไรท่านเห็นว่าความสุขความสุขที่เกิดจากสมาธิแม้จะมากขนาดไหนแต่ก็ยังมีการเสื่อมได้ <c oughs> ตอนนี้เป็นคนที่มีปัญญานะพระเจ้าท่านสะสมปัญญาตัว น, นี้มาหน้าแล้วท่านเห็นว่าท่านทําไมถึงออกบวชล่ะอา จ, จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ได้มีปัญหาเรื่องเออ่ที่ทําให้ต้องทุกข์ใจมากนายนะครมาว่าพู้พระเจ้าเองถ้าไม่ได้ออกบวชเพราะว่าท่านมีปัญหาชีวิตแต่ที่ว่าท่านออกบวชเพราะว่าท่านเห็นว่าชีวิตมัน ชีวิตมันเป็นปัญหาชีวิตมัเป็นความทุกข์อ่ะคือไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะตัวท่านเองแต่ท่านเห็นว่าการการเกิดแก่เจ็บตายนะ่ะคือคือเป็นปัญหาสําหรับทุกชีวิตหรือท่านก็พิจารณาเห็นว่าความสุขที่ที่คนทั่วไปก็มีนะไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือตําแหน่ง อะไรต่างๆที่ท่านก็มีแทบจะมากกว่าคนอื่นเลยละมันก็ยังไม่ใช่คาตอบของชีวิตคือถ้าตอหัวดด้วยความมีปัญญามีปัญญาในาการพิจารณาว่าความสุขแบบโลกโลกเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงทำยังไงเราถึงจะพบความสุขที่แท้จริงหรือทางไงเราถึงจะผลเรื่องราวของการเปียนไหวใจเกิด แก่เจ็บตายบนเวียนไปเรืร่อยๆนะท่านออกบวเรืย่ยนปะัญญาพอท่านมาศึกษาสมาธิท่านก็เห็นว่าสมาธินั้นะมันก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะเป็นความสุขชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เสือ่อมสุขแล้วก็เสือ่อนมะก็พอออกมาเจอกับอารมณ์ก็ยังก็ยังบันใยกับอารมณ์อยูนะ่ก็เห็นว่าเออยังไม่ใช่ทาง เ น, นี้ยสมายว่าก่อนเะนี้ยคือการที่คนพบแต่ ว, ว่าความสุขที่ตั้งแต่หยาบแยบเนาะความสุขทางกายจอทั้งความสุขทางใจอยากสมาธิเนี่ยมันยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงตจนคิดว่าในเมื่อหาสุขเต็มที่แล้วก็ยังไม่เยโสก็ลองมาทำให้มันทุกเต็มที่เพื่อเพื่อมันจะพ้นทุกข์เนี่ยท่านก็เลยคิดในการที่นี่แหละนะ บางเพนทุกขระกิริยาตัง้งแต่เกือบ6ปีนะมันจะว่าคีนะพระอัญญาโกธัญญาเนี่ยแต่ก่อนท่านเป็นพราหมณ์หนุ่ตั้งแต่พระเจ้าตรงประสุดใหม่ใหม่อัญญาโกธัญญาก็เป็นพราหมณ์หนุ่ที่ได้รับการเจรนาพยากรณ อ, อัญญาโกธัญญาก็พระยากรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนน่ะเจ้าชายผีเสื้เนีนะที่ครึ่งแรกเลยนะ ต่อไปจะได้เป็นผู้พิเ้าแน่นอนท่านมั่นใจมากพอได้ข่าวว่าเจ้าชายเิทธาออกบวชแล้วอัญญาตัวอัญญาเป็นพ า, ามที่เหลือรูปเดียวพ า, ามรูปอื่นะที่ทำํำนายว่าเป็นสองทางนะไม่กองราชเป็นจักรพรรดิก็เป็นพู้พิเจ้าเสียชีวิตหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีใครเป็นชวนใครก็ไม่ได้ก็เลยไปส่วนลูกหลานของพ า, ามที่เหลือนันะ่นแหละ เขเชิมาได้อีกสี่คนก็เป็นเนี่ยแหละเป็นปัจจารคีทั้งห้าเขาเชื่อมั่นว่าพูะพุธเจ้าออกบวแล้วต้องค้นพบทางแน่นอนพระพุทธเจ้าวาเผ็ดทุกขลักิริยาเนี่ยปัจจารัีเนี่ยคอยดูแลอุปถาอาจจะคอยทุนด้วยเมื่อไหร่จะบรรุ้ธรรมบรนล้ธรรมแล้วเราจะได้โปบดเราเป็นเป็นคนแรกก็อาจจะคิดเช่นนั้น ก็ทําเต็มที่นะพระเจ้าทําทําเต็มที่นะกดข้าวอดน้ํากั้นลมหายใจนะทําเจนทั้งร่างกายสู้ของนะบางทีเขบอกจากที่ด้านหน้านก็ถึงข้างหลังเลยนะที่กั้นลมหายใจกระทั่งลมหายใจไม่ออกทางปากออท่างจะหมดไปออกทางหูบ้างออกท่างคิงหลังบ้างทํา เดียวว่าไม่มีใครทำได้เท่าก็องค์แล้วห่าว่าท่านคง ม, มีปัญญาเต็มที่นะหรือในบางทีในในหนังสือก็บอกว่ามีมีพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังนะเป็นสามลักษณะความพินที่มันพอดีเป็นแบบไหนที่มันตึงเกินไปเป็นแบบไหน ที่มันจอดเกินไปแบบไหนพระพุทธองก็เลยคิดว่าอ้อเราตื่นเออนกินไปก็อาจจะใช้จริงหรือเปล่าบระมโนเสือก็องแต่หนักได้เองว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่ก็ยังก็ยังไม่พทุกนะท่านก็เลย อ, อืม เ, เราเองทำขนาด น, นี้แล้วยังไม่พทุกถ้าทำต่อไปอีกตายแน่นอนตายแน่นอนแต่จริงแค่ไม่ได้เสียใจชีวิตที่ตายแล้วนะ แต่ท่ทว่าทําแล้วมันก็ป่าประโยชน์มากกว่าก็เลยพิจารณาว่าก็คงบอกเป็นจารวิธีเขาได้เราจะเริกทรมานางำายแล้วนะเราจะเดินทางใส่กล้านะมเป็นจารวิธีก็เลยหนีออกมากเลยขณะตอนแรกออกบวชนะด้วยความเชื่อมันว่าจะเป็นลูกติษของพร้เจ้าแน่นอนนะจะอยู่กับท่านตลอดแน่นอนนะแต่พอ พระเจ้าเลิกอดข้าวอดน้ำมันจะเพื่อขีนีหนีไปอยู่ป่าอิสิปนาตนั่ น, นทา ย, ยาวันเพราะพระจ้องค์ก็เลยได้วยอโอกาสเดินมาดินถเดินมาที่ตรงดินแม่น้ำเนรัญชาราเจอนางสุชาดาถาวายข้าวมาทุพายาข้าฝฟังเนรัญชาราฟังมากฟงเค่องสีมหาโพธิ์มานั่งป่ะเพณเพียรนะ ก็จะทั้งรูง้ธรรมหมายว่ามันคือพระมุทธองคนะ์ท่านลองเนี่ยท่านลอกว่าทางที่สุขมากๆก็ไม่ใช่แล้วทางที่คุกขมากๆก็ไม่ใช่แล้วพอท่ า, านน้ำโอ่งเปนจ้าวัคขีท่านฤๅษีสอนเรื่องนะี้สอนว่าการรูสุขขาดพิกา ร, กาการยโยโย่คืออะไรคือการพอใจในการทั้งหลายนะตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียด มันก็เป็นทางสุกโต่งด้านนึงนะนะหรือการที่ทําตัวเองให้ทุกข์รมานนะทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีก็เป็นทางสุดโต่ด้านนึงนะนะท่านสอนจะวีจารณ์ว่าอ๋เนี่ยทางที่คนตัวใหญ่หลงคืออยุดสองทางนี้แหละหลนะงในกลางหลงในความสุขกับหลงในความทุกข์ในการทรมานร่างกายทรมานจิตใจท่านก็ขีดเห็นว่า ทางสุโต๊ะคนนี้ยแหละที่เราไม่ควรเดินแต่ทางที่ควรจะเดินคืออะไรคือทางสายกลางอเ น, นียมัก ม, มีองค์แปดคือทางสายกลางเนี่ยนั่นก็เลยมาทางสายกลางคืออะไรบางทีก็ไม่ใช่ว่าทางบางทีเราเรียกว่าทางสายกลางมันระหว่างตึงกาลางระหว่างความสุขกับความทุกข์หรือว่าความตึง กับความหย่อนไม่ใช่อาจจะตีคอนนะอาจจะผิดก็ได้นะแต่ทางสายการรินคือทางที่ที่เรียกว่าเป็นทางที่ถูกต้องแปลว่าเป็นทางที่ถูกต้องดีกว่าบางทีทางสายจานก็เราแปลว่าเหมือนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่สุกเกินไปไม่ทุกเกินไปทางที่มันตรงการลางระหว่างสุกกับทุก เมื่อกาจจะเข้าใจผิดนะอแต่ในจริงทางสายการจริงคือการที่เรียกว่าทางที่ถูกนะคืออะไรนะทำกายให้ถูกแบบไหนวาจาให้ถูกแบบไหนใจให้ถูกแบบไหนเนี่ยท่านถ้าสอนอะไรแบบนี้นะเอคิดถูกคิดแบบไหนเห็นถูกเห็นแบบไหนพูดถูกพูดแบบไหน ทำถูกทำแบบไหนอาชีพที่ถูกคืออะไรความคิดยนที่ถูกคืออะไรศีลที่ถูกคืออะไรสมาธิที่ถูกคืออะไรทัานสอนว่าทางสายการบินคือทางที่ถูกต้องทางที่ถูกถ้าเมื่อไรที่เราเดินทางที่ถูกนะเราก็ถึงมรรคผลที่ผ่านใช่ไหมเนี่ยบาทีหลวงพ่อเขียนแทบเปลียบง่ายๆว่าเหมือนเราเดินทาง สมมติถ้าเรานั่งรถถูกคันมันก็ไปถึงปลายทางได้สมมตินั่งรถจากกรุงเทพเราจะไปเชียงใหม่ถ้าเรานั่งรถถูกถูกบริษัทถูกคันที่เขาจะไปมันก็ถึงปลายทางได้เรานั่งเครื่องบินถูกคามลมันก็ไปถึงตรงนั้นได้นี่คือทางที่ถูกเนี่ยไม่ใช่ทางระหว่างความสุดโต่ำในสองด้านแต่ทางที่ถูกเนี่ยมันจะทําให้เรา ไปถึงเป้าหมายตอนนั้นได้ทางที่ถูกเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องต้องฝึงหกหัดเนาะเรียนรู้เพราะเพราะความที่เราเน่เพราะความที่เราไม่รู้นั่นแหละเวลาเราปฏิบัติแล้วเราก็เอาความที่เราคิดว่าเรารู้หรือความที่เราคิดว่ามันต้องทำแบบนี้มันถึงจะดีนั่นแหละเอาไปปฏิบัติได้ยังไงเวลาเราคิดถึง เมื่อบางกนคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก็คิดว่าจะต้องทําให้มันนิ่งๆเพราะเราคิดว่าถ้าทําให้มันนิ่งคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกหรือเราคิดว่าจะต้องทําให้มันไม่คิดเพราะคิดว่าการคิดมันคือความผิดนะเราคิดว่าเราต้องทําให้มันสงบอะไรแบบนะีนะ้หรือพอมันมีความสงบหรือพอมันรู้แล้วก็ต้องพยายามทาให้มันเป็นแบบนี้ตลอด เราจะรักษาไหมคือเราปฏิบัติธรรมด้วยความคิดของเราไม่ใช่ไหมเหมือนพระพุทธ เ, เจ้าก่อนก่อนนั่งเป็นพรุทธเ้ท่านก็คิดว่าทรมานร่าตายทรมานจิตใจมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ท่านก็คิดแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้หลายกลุ่มเชื่อแบบเนี้ยแล้วท่านก็เลยลองทําแบบนี้ เวลานกกับปฏิบัติธรรมต้งเหมือนกันนะก็ะเราเวลาปฏิบัติธรรมต้องระวังบางทีเราก็จะมีคล้ายๆมีชุดความเชื่อหรือเราก็คิดว่าเราเราจะเคยฟังมาเคยอ่านมาหรือคิดพิจาราเองแล้วเราก็เชื่อแบบนี้อยากจะมาจา ก, ก่อนก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถทำความสมงบ จนกนะทั่งมันนิ่งได้นิ่งได้นานๆสงบได้ น, น, นานๆแล้วสักแล้วมันคงจะมีสักแว้บหนึ่งที่มันจะเกิดปัญญาเองมาคิดว่าอย่างไรนะคิดคิดว่าการที่เรามาปฏิบัติทำคือเราต้องมาทําให้ใจ ม, มบับสงบให้ใจมันนิ่งนะทําให้มันต้องว่างว่างที่สุดเท่าที่ว่างได้นาะนที่สุดเท่าที่นานได้แล้วก็เชื่อว่าดอ รอใช้ใช้รอโอกาสที่มันจะปิงอะไรขึ้นมาเราก็จะค้น <c oughs> แต่ก่อนก็ทำด้วยความเชือ่อว่าแบบนั้นน่ยคือทางทางทีท่ถูกแต่ถ้าเราทำันแล้วแล้วมันก็จะสอนเราเองล้ว่ามันเราก็ลองทำแล้วก็ทำแบบนั้นหลายครั้งหลายหนะนะที่มันก็นไม่ได้สักทีแล้วที่จริง มันกับทุกข์ด้วยซ้ำทุกข์เพรอะไรทุกข์เพราะเรายายจะรักษาความนี้ความว่างของจิตรวมทั้งทุกข์เพราเราเหมือนเรามีความอยากลึกๆว่าเมื่อไหรม่มันจะมันจะปิีงเมื่อไหร่มันจะรู้วึาคือแต่ก่อนเราคิดว่ามันดีนะแต่พอเราดูดีๆที่มันเป็นความทุกข์แบนพอเห็นความทุกข์ตรงนั้นหรือบางทีพอมันทําไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์นะ ทำได้ก็ยังจะรักษาไว้มันก็ยังเป็นความทุกข์เจืออยู่แม้มันจะมีความสบายอย่างนะแต่ก็ยังทุกข์เพราะเจือว่ามันลุ้นนะเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะออกอะไรนะตอนได้ก็เชื่อว่าทําแบบนี้เนาะมันถึงจะใช่ทางห ม, ม, มาว่าหลายคนปฏิบัติทําก็มันถิดว่จะเชื่อแบบนี้นะ <laughs> เชื่อว่าจะต้องทําจิตให้มันนิ่งให้มันไม่คิดให้มันสงบก่อนแล้วมันถึจะเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอีกแบบหนึ่งนะท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุกเนะี่ยอริยสัจข้อแรกคือทุกคือสิ่งที่ให้กําหนดรู้หรือทุกคือสิ่งที่เราต้องรู้นะี่ยทุกคืออะไรรู้เรื่องอะไร ทุ ก, ก็คือกายได้ใจมันคือตัวทุกขันข้งหน้าคือตัวทุกข์เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือขันห้าหรือว่ า, งา่ง่ายก็คือกายไดบใจอันนั้นที่จริงที่เราปฏิบัติธรรมนะแต่นะรูปแบบไหนก็แล้วแตบบ่เราก็รู้ที่กายที่ใจนะใช่ไหมบางทีเนี่ยอย่างหลวงพ่อเทียนรู้การเคลื่อนไหวอานาปานสติกก็รู้ การหายใจของยุบก็รู้ที่ท้องที่อะไรก็แล้วแต่ก็รู้ที่กายหรือเวทนาเนี่ยก็รู้สุขรู้ทุกก็คือใจหรือบางทีบางคนรู้จิตจิตตาไม่ปัจ น, นารู้ความคิดก็คือกรรมฐานทั้งหมดนะดูกายรู้ใจด้วยนั้นแหละรู้อะไรก็ได้หรือบางคนพิจารณาธรรมะเนี่ดูนิวรณธรรมดูดด ปติจจสงุปบาทอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเป็นจินตเท้านั้นนั่นกรรมฐานทั้งหมดนะที่เป็นเรื่องของการทำใจนะั้นถูกทั้งหมดเลยนะถูกทั้งหมดเพราะว่าแต่ถ้าเป็นกรรมฐานที่ไปดูข้างนอกเนะี่ยมันไม่ใช่กรรมฐานเพื่อความต้นทุกแต่เป็นอาจจะเป็นกรรมฐานเพื่อความสงบเช่นไปดูกระสินไปเพ่งเพ่งความสว่าง เปเพ่งความว่างไปเพ่งไฟจิตก็รวมลงไปก็ได้สมาธิแต่ไม่เกิดปัญญาแต่ได้สมาธิได้นะเนื้อทัศกรรมศาสตรไหนที่มันเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเราเนี่ยแหละมันจะทําให้เราดูฟุ้งเพราะอะไรเพราะว่ากายกับใจเนะี่ยมันจะสอนความเป็นทุกทั้งนั้น عم. เราก็สังเกตโ อ, อ้เราคิดว่าเรานั่งสมก็นั่งคัตสมาธิ จะนั่งพักเทียบหรือนั่งกิงหลัง <c oughs> นั่งเต่า้โ่งมนสบายนะแต่พอนั่งไปสักพักหนึ่งก็ไม่สบายนะเรานั่งนานๆนะ ว, ว่ามันไมันเป็นทุกข์เราก็ไปเดินเดินก็สักพักหนึ่งก็ไม่สบายอยีกแล้วไปนอน <c oughs> นอนมาก้าก็ไม่สบา ย, ยละนะคือมันแสดงให้เราเห็นว่ากายเป็นทุกนะข์อ่ะกายเป็นทุกข์ แต่แว่านักปฏิบัติธรรมต้องระวังว่าบางทีเราปฏิบัติเพื่อเราอยากจะให้มันไม่ทุกข์อยากที่มันหายทุกข์บางทีเราก็จะนั่งสู้กับเวทนาของร่างกายให้มันหายปวดให้มันหายเนื่อยแต่จริงทําแบบนั้นนะวางใจจิต <c oughs> เพราะจริงเราภาวนาไปไม่ใช่เพื่อให้มันหายปวดหายเนื่อย แต่พระเจ้าข้าสอนให้เราดูดูดูว่ามันปวดดูว่ามันื่อยนะดูเฉยเฉยไม่ได้เจือด้วยความอยากถ้าเราอยากให้มันหายปวดหายเมืนเน่อยเรียกว่ามีปัญหานะปัญหามีสามแบบนะอย่างที่บอกว่าดูทุกข์แล้วแต่มันมีปัญหาคือเหตุของความทุกข์คืออะไรเช่นมันปวดเมื่อยจนมา เราอยากให้มันหายไปหน้อคือตัณหาอยากให้มันไม่มีที่บอกว่ากามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาการันหาคือตัณหาในการคือตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสกรธขยะทำนาลมภาวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอยากได้ความสงบ อยากบรรลุธรรมอยากมีแต่ความสุขเนี่ยวิภวตถาวิภาวตถาก็าาคือเนี่ยไม่อยากไม่อยากทุกข์ไม่อยากปวดไม่อยากเป็นอะไรเลยนะไม่อยากที่จะต้องมาเรียนว่าแต่เกิดแล้คือที่จริงมันก็ดูเหมือนดีนะแต่ถ้าเรา ท, ทําด้วยความไม่อยากแบบมันก็มันก็ทุกข์นนะีอันนี้พระเจ้าจเลยบอกว่าตัณหา มันเป็นเหตุของความปวดคล้ายๆเราก็อยากจะผักใส่อกไปนะความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็ไม่อยากไม่อยากได้ความง่วงเกิดขึ้นก็ไม่อยากไม่อยากง่วงอยากใหง้ง่วงเลยนะตัวตัาหาเนี่ยที่มันมันคล้ายเป็นตัวบ่งการชีวิตเราเนาะดูดีๆเห็นะไหมเราเบื่อเราก็อยาก ไปดูหนังไปฟังเพลงไปโต๊ะทศัพท์ไปเข้าอินเทอร์เน็ตนะไปช็อปปิง้งไปกินนั่นกินนี่คือที่จริงก็คือมันเบื่อมันคือความทุกข์แล้วมันก็ส่งผลให้เราหนีจากความทุกข์ไปทำอื่นแทนแต่บุทธยักษ์ท่สอนว่าทุกข์ก็ดูมันนะดูมันแล้วก็อยู่กับมันนะั้ให้ได้สิ่สํำคันนะ นักปฏิบัติทําสิ่งแรกคือที่ต้องทำคือยอมรับความจริงเช่นปวดเมื่อยก็ยอมรับว่ามันปวดเมื่อยก็ดูแล้วก็อยู่กับความปวดเมื่อยนั่นแหะแต่สิ่งที่เราทําก็คือเรามีสมถานสักอย่างหนึง่งให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเพราะว่าถ้าใจเราไม่มีสมาถานใจมันจะไปอยู่กับความปวดเมื่อยไปอยู่กบความทุกข์ แต่แท้ใจเรามีสมถานมันจะเห็นว่าเช่นกายเคลื่อนไหวนีก็เห็นขาที่ปวดเมื่อยก็รู้อยู่ใจบางทีก็รู้เฉยๆกับกายที่เคลื่อนไหวแต่บางทีก็เห็นว่าใจบางทีก็ไม่ชอบที่มันปวดเมื่อยนมันจะเห็นเนียเมื่อกี้ใจมันไม่ชอบพอมีสติรู้ทันมันรู้สึกตัวแล้วมันก็ออกจากความคิด หรือบางทีเมื่อกี้จิตเราไปอยู่กับความปวดเมื่อยพอเรามีสติอยู่กับกายเคลื่อนไหวก็จะเห็นจิตมันมาอยู่ตรงนี้ละมันเห็นว่าจิตเน่ะเมื่อกี้มันมันเป็นเป็นภูมิพราความปวดเมื่อยแล้วก็ถัดมาสักพักนึ่งจิตมันกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวละมันจะเห็นว่าจิตมันเกิดมันตับแต่เรามันก็เห็นยากนะถ้าเราไม่เห็นช้องบ้าง ขนาดจิตเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเปลี่ยนนะมันจิตอันเดียวเนี่ยเหมือนมือเนาะมือตะมาเนี่ยมืออันเดียวน่ะมันเปลี่ยนตลับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงมันมันเหมือนจิตดวงเดียวที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลัตษณะแต่จริงแล้วเรามีสติจริงนะมันเป็นเหมือนนัเกิดเกิดมันเหมือนนิ้วตลอดนิ้วที่มัน มันไม่ได้เป็นิ้วติดกันแต่มันเป็นจิตอัณะเมื่อกี้มันหลงปุ๊บคนนี้รู้หลงปุ๊บรู้มันเป็นจิตอัตนของจิตถ้าเราสามารถสัมผัสกับเห็นปัจจุบันจริงๆนักรรมฐานจริงๆนะคือให้เรามีสติรู้หลมที่ปัจจุบันปัจจุบันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ของกายก็ดีของใจก็ดีแล้วเรารู้อันนี้แหละพอเลยนะธรรมะนี่เราไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาอะไรมากมายเราเพียงแค่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็จะค่อยๆคล้ายๆทยอยมาปัจจุบันมันเหมือนทยอยมาคล้ายๆกันเราดูโทรทัศ์อ่ะเราก็ดูที่เดิมนั่นแหละ มันก็ค่อยๆจะลอยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนเหตุการณ์ให้เราดูเองนะั่นแหละปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นในกายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจรหรือก้อนแบบนะั้นถ้ายอยมาให้เราเห็นเห็นไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าเออมันมีแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาทั้งนั้นมันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นทั้ง น, นั้นเลยแล้วสิ่งสําคัญคือมันก็บังคับไม่ได้ด้วย เราปฏิบัตทิทมนกักปฏิบัติมักจะทำผิดคือเราพยายามจะบังคับบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเช่นมันปวดก็อยากให้มันหายปวดนะมันคิดเราก็จะบังคับให้มันไม่คิดนะมันคิดไม่ดีเราก็จะบังคับให้มันต้องคิดแต่ดีๆ เ, นะเรามีแต่ทำแบบบังคับเราปฏิบัติทำแล้ว หลายคนเครียดหลายคนทอ้อหรือบางทีเรารู้สึกเหนื่อยเพราะอะไรเราทำผิดของลักษณ ะ, ตะไตรละนะไตรละมีอะไรบ้างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่อตัวตนนะแต่ว่าปฏิบัติบางทีเราอยากจะทำให้มันเที่ยงเช่น ม, มันไม่ปวดก็ให้มันไม่ปวดตรงนีน้ตลอดไปนะ ให้มันเที่ย์คือจิตสงบก็อยากให้นสงบตลอดไปเนะี่ยเราอยากจะทําให้มันเที่ยอะไรที่ดีอ่ะอยากให้มันเที่ยทำ <c oughs> มันเป็นแบบนี้ตลอดหึืแม้แต่รู้นะรู้ก็อยากจะให้รู้ตลอดบางทีเราก็มมากเลยไปกำหนดมากเกินไ ป, มม ไ, ปไปกําหนดเป็นพิ้งไปประคองรู้เพราะเราอยากจะให้ความรู้มันเที่ยนี่คือเราทําจิตตรงนี้น สิ่งที่ไม่เทีย่ยงไปพยายามทำให้มันเทีย่ยงจิตมันไม่เทีย่ยงพยายามทำให้มันเทีย่ยงมันเป็นทุกข์เราเมื่อมันเกิดความสุขเราก็อยากให้มันสุขตลอดนมันเป็นทุกข์คืออะไรทุกข์คือแม่เห็นสุขก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งอันนี้ก็อธิบายยากนะแต่ถ้าเราดูดีๆนะคือสุขมันก็ชั่วคราว น, นี่คือความทุกข์ ไม่มีอะไรสุกแน่นอนนะสุกมันก็ชั่วคราวเราพยายามอยากให้มันสุกตลอดอันนี้ก็เราก็ฝืนทําไม่าด้ละแต่ถ้าภาวนาไปจริงๆนะถ้าใครภาวนาถึงระดับหนึ่งจะเข้าใจว่ามันบังคับไม่ได้จิต น, น, นะนะตอนเช้าเราอาจจะปฏิบัติดีสบายอาจจะม่วงมากอาจจะฟุ้งมากก็ได้วันนี้ปฏิบัติดี พรุนี้อาจจะได้เท็จเลยก็ได้หรืแม้แต่เราปฏิบัติมาสิบปีคิดว่าเข้าใจอะไเยอะแต่บางวันเนี่ยโหเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นก็มีมันเป็นเหมือนนันขึ้นขึ้นลงล ง, ดงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เป็นแบบนี้มากเลยแล้วความทุกของนักปฏิบัติคืออะไรเราจะไปเครียดว่าทําไมปฏิบัติมาหลายปีแล้วเดือนมานานแล้วมาทําไมยังเหมือน ไม่ก้าวหน้าเลย <c ười> เคยได้แบบนี้แล้วทำไมตอนนี้ไม่ได้หรือทาไมช่วงนี้มันนั่งก็มั่วมากหรือว่านั่งก็เหมือนสติไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยนะไม่ใช่ผิดปกตินะจะบอกว่าเป็นธรรมดาของทุกคนอัตมาก็เป็นนะแต่มันคือสแสดงอะไรสะแสดงว่า อาการหรือสามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้คืออะไรยอมรับนะยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อไรที่ใจเรายอมรับนะมันก็อยู่กับมันได้แล้วก็ไม่ทุกข์นะบางครั้งมันง่วงมากนะก็ยอมรับว่ามันง่วงมากไม่เป็นไรถึงง่วงก็ง่วงไปหน้าที่เราคืออมีสติไป แล้วก็เห็นว่ามัง่วงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะความง่วงก็เห็นมันอยู่แหละแต่จิตเราไม่ต้องไปดิ้นว่าจะทำไงให้มันหายง่วงทาไงหรือจะไม่เป็นแบบนี้อีกหรือบางทีเราปุ๊บก็เราไปเปรียบเทียบเลยว่เราเคยปฏิบัติมันสบายมันดีทํำไมตอนนี้ไม่ดีเราปุ๊บเพราะความเปรียบเทียบเคยทําได้แล้วตอนนี้ไม่เป็นอย่างที่เคยทําได้หรือบางที แล้วก็กลัวว่ามันจะทุกข์มากกว่าเก่ากลัวปฏิบัติผิดเราทุกข์เพราะความเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอดีตตัวเองบ้างเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้างหรือคาดหวังว่าวเราบาเดียวก็คาดหวังนะเหมือนการ์ดกันพุ่งแ ล, แล้วต้องพุ่งตลอดเราคิดว่าปฏิบัติคำสูขนะมันมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะมีแต่สุขมากขึ้นสุขมากขึ้น พวกน้อยลมพวกน้อยลมเราคิดว่ามันจะเป็นมันจะมีมาตรฐานตายตัวแบบนั้นแต่ที่จริงนะตภาวว่ามาตรฐานเขาแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยมมันเป็นพุกมนไม่ใช่ตัวตนที่เราเห็นว่าไอ้ที่มันเป็นมันเป็นของมันเองแต่การปฏิบัติธรรมนะอันนี้คือมันเป็นอาการเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ตัวปฏิบัติจริงๆคือตัว ตัวรู้วันนะ ม, นมันเป็นตัวหนึ่งนะตัวที่เกิดขึ้นน่ะจะเรียกว่าเป็นอาการเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เราปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือตัวรู้เดีเ น, น, นี้ยเรารูด้ด้วยความเป็นการรู้ด้ด ว, ว, ดด ว, ว, วยความตั้งมั่นรู้เฉยๆหรือเปล่าตัวนี้สําคัญกว่านะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่สําคัญเช่น ถ้ามันสุกแล้วเราไปหลงดีใจตัวรู้ของเราไม่ถูกละเพราะว่ามันมันไปพอใจมันไปดีใจละหลงละมันฟุบเราก็อยากให้มันหายเนี่ยหลงละแต่ถ้ามันฟุบเรารู้มันสุกเราก็รู้รู้จฉยเฉยรู้ด้วยความเป็นกลางนยเนี่ยถูกดังนั้นที่จริงอารมณ์ต่างๆที่มันแสดงนะมันคือตัวทดสอบเรา ตัวส่วนสองนะว่าใจเราจะเป็นการกับสภาวะต่างๆได้หรือเปล่าถ้าใจเราเป็นการกับสภาวะต่างๆได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะมันก็ไม่หวั่นไหวคล้ายๆเหมือนเราอยู่ในคานนี้นะฝนก็นอกอาจจะตกแรงมากก็ไม่เป็นไรนะได้ยินเสียงคนเยอะแต่เราก็แค่รู้จิตใจอะไรประมาณนะี้ออันเนี้ตัวเนี้ยสําคัญมากอันนี้คือ คือมากเนาะแต่ปฏิบัติเนี่ยมันมันคล้ายๆเหมือนเราลงคล้ายๆเหมือนเราอยู่มบนเรือเราเป็นคนควบคุมเรือเรืออยู่ในแม่น้ําก็ดีในมหาสมุทรก็ดีหน้าที่เราคปออะไรเหมือนลอยเรือไปเรื่อยทําไงให้เรือไม่ล่มไม่จมน้ํากันนั้นอารมณ์นักบางทีก็มีคลื่นแรงหรืก็สงบ ตาละพัอย่าอันนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์อันนั้นก็เหมือนกันตัวสติที่รู้ก็เหมือนเรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจก็เหมือนกับคลื่นเหมือนกับน้ำเราเลือนไม่ได้แต่สิ่งเราเลื่อนได้คือเราทำไงถึงจะเรียกว่ารู้มันเฉยเฉยหรือว่าไม่เป็นจมกับมันนีนนะ่คือสิ่งสำคัญนะลองสิ่งที่เราฝึกคือตรงนี้ เมื่อฝึกตรงนี้มันจะเกิดเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตเป็นการจิตตั้งมั่นนี่เรียกว่าสมาสมาิสมาธิไม่ใช่สงบสมาธิไม่ใช่นิ่งสมาธิสคือจิตที่ัวแก่การงานจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจิตแบบนี้นะมันจะเกิดปัญญาเพราะว่าเราเห็นบ่อยนะ พอเราเห็นไหมันจะเห็นเอันนี้มันอาการอันนี้ตัวรู้เห็นกายเคลื่อนไหวเคลื่อนกายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้ใจมันไปคิดอีกใจหนึ่งรู้ใจหนงมันสุขใจหนึงรู้ว่ามันสุขมันจะเห็นเป็นอาการมันจะแยกได้ปัญญาจะเกิดขึ้นนะแยกแยกโลกแยกนามได้อันนี้สติที่รู้ อันนี้คือติดที่ถูกรู้เห็นไปเรื่อยเป็นอาการเนี่ยเป็นปัญญาละเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันไม่ใช่ตัวตนนะเห็นมันเป็นทุกข์เนี่ยเกิดปัญญานะพระเจ้าท่านสอนเราเมื่อไหร่ที่บุคคลเห็นว่าเห็นความไม่เที่ยงนะอันนั้นก็เกิดปัญญาเมื่อใดบุคคลเห็นความเป็นทุกข์นี่นก็เกิดปัญญา เมืนน่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าผิ่ดทั้งหลายผิด อ, น, าาอ น, นั้ตาอันั้นนก็เกิดปัญญาเราเห็นไปบ่อยเห็นไปบ่อยเห็นไปบ่อยจิตมันต้องอาศัยการเห็นทำไปเลย่แหละเห็นแล้วก็ค้นขนาดหนึ่งแต่อาจจะเป็นใหม่ก็เห็นใหม่ก็ค้นอีกขนาดหนึ่งเราสะสมความค้นทุกทีละขนาดนี่แหละนี่คือมรรคเราก็จะค้นทุกทีละขนาด พ้นไปเรื่อยๆอันเนี้คืออริยสัจสี่นะที่เราก็จเจริญตามพระพุทธเจ้าออมาตามรอยพระพุทธเจ้าก็การปฏิบัติธรรมมันคือภาคภาคที่เราเหมือนได้ได้ทำแล้วการทำนั่นแหละมันจะสอนเรานะสอนเราอย่าไปกลัวมากบางคนกลัวทําผิดกลัว กลัวปฏิบัติผิดนะหมายว่ามันกลัวมันก็ไม่ช่วยให้เราถูกหรอก <c oughs> จริงๆนะคือนะเราเราไม่เจ็กลัวผิดที่จริงมันผิดตั้งแต่มันกลัวแต่ถ้าเราจะถูกยังไงก็ ร, รู้ทันความกลัวรู้ทันความกังวลเนี่ยตอนปฏิบนะัติ่ะนี่คือถูกแล้วแต่ถ้าตอนนี้เรากลัวว่าจะปฏิบัติผิดมันก็ผิดตั้งแต่ตอนที่เรากลัวแล้วก็เราก็ไม่ทําอะไรเลยหรือไม่เห็นมัน ดังนั้ น, น, นก็วางนะวางความคาดหวังต่างๆไว้เพราะที่จริงปฏิบัติมันง่ายดังนั้นคือผิดก็รู้ว่าผิดยถูกหรือถูกก็แค่รู้ว่ามันถูกถ้าเราถูกเราไปยึดว่าเราถูกมันก็ผิดนะครูบาอาจารย์บางทีท่านบอกว่าสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ดีนะ แต่ถ้าเราไปยึดมันมันก็ผิดแล้วนะแม้แต่สิดที่ถูกนะแต่ถ้าเราไปยึดมันมันก็ผิดนะแต่ปฏิบัติธรรมนะถ้าถูกก็แค่รู้ว่ามันถูกนี้ก็ถูกละผิดก็แค่รู้ว่ามันผิดนี้ก็ถูกละนะคิดก็แค่รู้ว่ามันคิดถูกละนะคือแค่รู้เฉยๆรู้แล้วก็จบที่ละขณะนะ ทำไมบางทีบอกว่าเหมือนนะรู้นะรู้รู้รู้รู้รู้แบบทีละครั้งทีละครั้งทีละทั้ ง, ง, งเราไม่ใช่รู้แบบนี้นะไม่ใช่รู้แบบเหมือนมันไม่ใช่เหมือนต่อแบบอะไรไม่ใช่เหมือนคล้ายๆเหมือนเยียบผ้าตะเข็บเยียบผ้าบางทีเราแบบไปกำหนดมากนะมันจะเหมือน ไปกำหนดมากเกินไปมันก็จะต่อต่อต่อต่อคือถ้าจิตมันถ้าจิตมันไม่กําหนดมากมันก็จะรู้เป็นทีละครั้งเหมือนจุดที่มันต่อเพราะจิตมันเกิดจากทิละขณะแต่ถ้าเราไปกําหนดจิตให้มันต่อเหมือนเช่นอจากเย็บผ้ามันต่อมันก็ใช่นะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีสติเต็มที่มันก็เป็นมือนนั้นแหละแต่ถ้าเราทําด้วยความคาดหวัง ด้วยการกำหนดมากเกินไปมันจะผิดมันจะเครียนแต่ถ้ามันเป็นของมันเองโอเคนะลอาดูนะมันรู้จบรู้จบรู้จบพิรุธธรนะเนี่ยก็ <c oughs> พูดให้ฟังนะพอเข้าใจไหม <c oughs> ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าก็อย่าเพิ่งไปต่อกว่าได้หรือไม่ได้นะ ก็ลองทํานะลองทำํนะทำดูนะทําได้ก็รู้ว่าทําได้ทําไม่ได้เนะี่ยก็ทําไปเรื่อยเนะี่ยมันก็จะทําได้มากขึ้นเองนะคือครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เราให้เราว่าเหมือนเป็นแผนที่ในการเดินทางนะคือก็สอนไว้ก่อนแต่คราวนี้ก็เป็นหน้าที่เราละว่าเราจะเราจะทำ มาทำน้อยขนาดไหนเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของเรานะปรุจจารถก็ชี้ทางทางป้นทุกให้กับเราแล้วนะครูบาอาจารย์นัดชี้ไว้แล้วหนะ้นาที่เรานะไม่มีระดับเราทำดูเรียนรู้ไปนะถ้าเราทำเต็มที่นะไปเรื่อยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่มาว่าก็เชื่อว่าเราก็จะรู้ด้ตัวของเราเองแหลวนะว่าเรา จิตใจมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนความรู้ความเข้าใจตัวเองการปล่อยกันวางเกิดขึ้น น, นี่าน้อยขนาดไหนเราก็จะสัมผัสได้เองนะไม่ต้องรอว่าไม่ต้องถามใครก็ได้ว่าเราปฏิบัติแล้วมันถูกทางไหมปฏิบัติแล้วใช่หรือเปล่าถ้าเราตรวจสอบด้วยตัวของเาเองว่าเออันวันหนึนน่งเราจะเริมมีสติได้ได้มากขึ้น รู้ตัวเองได้มากขึ้นเห็นกิเลสเห็นความคิดที่มันมาหลอกแล้วเราก็หลงไปกับความคิดหลงไปกับกิเลสได้น้อยลงเนี่ยนี่ถือว่าตนะุดทางนะการปฏิบัติแล้วตูดทางก็ดูเนี่ยหละดูว่าสติเกิดขึ้นมากไหมดูเท่าทันความคิดเดท่าทนกิเลสได้บ่อยไหมเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบตัว เ, เองนะอความ ความทุกข์แ้วความทุกข์มันเราไม่ยอมความทุกข์ได้ออกจากความทุกข์ได้บ่อยหอเป่าเนะี่ยคือพัฒนาการอย่าไปดูพัฒนาการแล้วเราปฏิบัติดีที่วันนี้อารมณ์ดี <c oughs> หรือวันนี้มันสบายสบายไม่ทุกข์ไปดูแบบนั้นนะบางทีอาจจะไม่ใช่บางทีวันนี้ดีเพราะเหตุปัจจัยข้างนอกก็ได้เช่นอยู่ห้องแอร์สบาย ไม่ไปทํางานอในเรียมันก็สบายนะอาจจะเป็นเหตุปัจจัยข้างนอกก็ได้บางคนได้ไปกินอะไรอร่อยได้ไปเที่ยวก็สบายเหตุปัจจัยข้างนอกแต่จะสบายจริงหรือเปล่าเมื่อถ้าเจอปัญหาเจอสิ่งกระทบเจอนั่นเจนี่แล้ววัดไหวจริงหรือเปล่าบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเรา ปฏิบัติดีหรือไม่ดีแต่ก้ามหน้าหรือว่าไม่กล้ามหน้าแต่อย่างที่บอกว่าตัวสติที่รู้เฉยเฉยรู้ได้ความเป็นกางแหละจะเป็นตัวที่ว่าเรารู้มันเฉยเฉได้ไหมเวลาเราปุ๊บจิตมันดิ้นมากไหมหรือว่าเมื่อเราสุขจิตมันเป็นจมตอกความสุขมากหรือเปล่าเนี่ยเราดูที่ตรงนี้นะเรายอมรับมันได้ไหมหรือเราดิ้น ดิ่งดิ่งดิ่ ง, งนะหรือว่าเราเห็นมันแล้วก็ยอมรับมันดูมันอยู่ที่เสยเก็เจอสติไปมันจะเป็นอะไรกสั่างวมลองดูนะเนี่ยนี่คือความก้าว ห, หน้าที่เราจะนำไปพิจารณาเนานะในรว่าปฏิบัติธรรมนะต่อนะไว้